พระเถระนี่ท่านคิดเนี่ยนะท่านท่านเห็นเลยว่าภัยได้เกิดขึ้นในศาสนาแล้วแต่ท่านก็คิดต่อไปอีกว่าถ้าหากว่าเราจะให้หลวงตาผู้นี้นุ่งผ้าเก่าเสร็จแล้วเอาขี้เท่าโรยศีรษะแล้วก็ขับไล่นี้ไปจับศึกไปเลยเนี่ยนะคนทั้งหลายก็จะพากันยกโทษเราว่าเมื่อพระศริระของพระสมณโคดมยังอยู่เหล่าสาวกก็ยังวิวาดกันทะเลาะกันตั้งยังไม่เผาเลยอย่างั้นเนี่นะ นี่ทะเลาะกันแต่งงยังไม่เผาเลยหรืออันนี้พระมหาและสปะก็เลยนิ่งเงียบไว้ก่อนเดียวค่อยคุยกันอีกทีมันกันรช่แล้วก็คิดว่าก็ธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงสแสดงไว้ธรรมะของพระพุทธเจ้าเหมือนกับกองดอกไม้ที่ยังไม่ได้ร้อยยังไม่ได้ควบคุมให้เป็นเช่นกับพวงมาลัยธรรมะที่พระองค์แสดงไว้แล้วนั้นที่เปรียบเหมือนกับดอกไม้ที่ยังไม่ได้ร้อยด้วยพวงมาลัยถ้ามีลมพัดมาก็ถึงความกระจักกระจาย อันนเอากองดอกไม้มากองกองโดยที่ไม่ได้ร้อยไม่ได้เรียบเรียงไม่ได้จัดเป็นหมวดเป็นหมู่ร้อยเรียงด้วยโยงใหญ่ยึดกันเอาไว้เนี่ยถ้าลมแรงๆพัดมาก็เปลวว่อนกระจัดกระจายไปหมดฉันใดสิกขาบทหนึ่งสิกขาบทสองสิกขาบทในพระวินัยก็จะถูกเพิกถอนไปทีละสิกขาบทสองสิกขาบทไอคนนี้ขึ้นมาก็บอกเอสิกขาบทข้อนี้ไม่สมควรเอาก็มาตัดอะนะช่วยช่วยกันตัดตัด ทีละสิกขาบทสองสิกขาบทตัดทุกกฎตัดทุกภาสิตตัดปาจิตตีตัดปาจิเทศนิยะตัดทุลใจตัดสังขารที่เสร็จหนักๆเข้าปาราชิกก็ไม่เหลือแล้วตัดกันสักเลี้ยงไม่มีเหลือแล้วว่ากันเพราะฉะนั้นคนเหล่านี้เป็นเหมือนกับคนที่มา กระจัดกระจายแม้แต่ปัญหาวาระพระสูตรสติปทานก็จะถูกทำลายไปสัมมปทานอิธิบาทอินทรียพละโพชงองคมัชโพธิปักขิยธรรมก็จะช่วยกันตัดช่วยกันบันทอนช่วยกันบันรอนทำลายเสียสิ้นไปเพราะว่าออกมาปฏิเสธอันนี้ใช่อันนั้นไม่ใช่นะนะรับพระสูตรปฏิเสธวินยัยถือเอาวินยัยปฏิเสธอภิธรรมรับอภิธรรมปฏิเสธพระสูตรและพระวินยัยเนี่ยก็แปลว่าทำลายเกิดมาเพื่อทำลายกันและกันเหมือนกับว่า ในตัวคนคนเดียวซึ่งมันควรจะมีองค์ประกอบใช่ไหมร่างกายของเราควรจะมีองค์ประกอบมีแขนมีขามีศีรษะมีลําตัวแขนมันบอกแม้ฉันเนี่ยรําคาญหัวจริงๆเลยนะจะต้องคอยสะหัวให้จะต้องคอยอะไรให้แขนบอกว่าตัดหัวทิ้งไปเถอะนะแล้วถามว่าอะไรจะเกิดขึ้นใช่ไหมนี่ก็เหมือนการศึกษาคําสอนเนี่ยถ้าหาว่าผิดพลาดก็จะฉันนั้นเหมือนกันเดี๋ยวก็ทำลายเดี๋ยวก็ตัดโน่นตัดนี่ตัดไปตัดมาก็ จะเหลืออะไรหรือพระสูตรจะเหลือหรืออย่างแม้กระทั่งยุคปัจจุบันนี้เห็นชัดเลยสูตรนั้นใช่ไม่ได้สูตรนี้ผิดพลาดสูตรนั้นไม่ต้องการสูตรนั้นไม่ใช่นะก็ทะเลาะกันเนี่ยในที่สุดตัวเองยังก็ว่าตัวเองเนี่ยรอบรู้แตกฉานบรรลุมรรคผลรู้เท่าพระพุทธเจ้าอย่างนั้นแหละแต่ว่าปฏิเสธของพระพุทธเจ้าตัวเองเกิดมาตาทัวแล้วก็ตาบอด มาปฏิเสธในสิ่งที่ดวงอาทิตย์สองสว่างเอาไว้เนี่ยนะมันน่าสงสารขนาดไหนเนี่ยนะเทนี้สำคัญว่าคนเหล่านี้พูดอะไรแล้วคนดันเชื่อนี่สินนะคนดันเชื่อพันเขาเรียกว่าตาบอดจูงคนตาบอดอนะันน้เรียกว่าตาถั่วจูงตาถั่วก็เลยตวนกันตกเหวไปสู่อบายทุกขติวินิบาตนารกบ้เาเนี่ยนะไม่ในแช่งนะแต่ว่ามันเป็นหนทางเขาเรียกว่าเป็นทางดําเนินปฏิปทาของคนผ่านทั้งหลายเนี่ยน ะ, เ, ะเพราะเขาอะไรเพราะเขา คนที่พูดเพื่อทําลายศีลแสดงว่าส่งเสริมอะไรส่งเสริมโทสะคนที่มุ่งทําลายพระสู่ทั้งหลายอ่ะส่งเสริมอะไรก็ส่งเสริมโลภะโทสะและโมหะโลภะโทสะโมหะเมื่อบุคคลเจริญแล้วทําให้มากแล้วไปไหนก็ไม่ดีอยู่แล้วเพราะฉนคำสอนเหล่าใดที่มาเพื่อกําจัดราคะโทสะและโมหะถ้าไม่มีการศึกษาและปฏิบัติตามแล้วอะไรจะเกิดขึ้น ท่านก็เลยคิดวต่อไปนะพระสูตรจักพินาศทำลายทีละสูตรสองสูตรทำลายทีละนิกายสองนีกายในที่สุดก็หมดแม้กระทั่งอภิธรรมก็เหมือนกันอะ น, นะัมพีแต่และกัมพีก็จะถูกตัดบันรอนบันทอนไปเรื่อยๆเนี่ยนะหนักๆเข้าไปเชื่อฝรั่งฝรั่งเขาบอกว่าอภิธรรมปีดกไม่ใช่ของพระพุทธเจ้านะเออตัวเองเนี่ยบอกไปอ่านเจอหนังสือฝรั่งเข้าบอกใช่ฝรั่งเขาว่าพุทธเจ้าเนี่ยหนักๆเข้ามายืนยันตามเคยอ่านเจอไหมว่าเนี่ยอภิธรรมปิดกเป็นพุทธพจน์ มีสองอย่างมีทรรกับพี่ไนยไม่มีบอกคําว่าพี่ธรรมแม้แต่นิดเดียวก็เลยออกมาต่อต้านอภิธรรมเขามีคนเขียนขึ้นมาพวกหลังๆเขียนขึ้นมาบอกเอาเธอไใครไป็นั่งหลับตาเขียนให้มันได้เท่าอภิธรรมปีดกทําได้ไหมแค่เรียนให้เข้าใจมันยังยากเลยจะว่าไปขีดไปเขียนยนาอะไรนะไอ้บางคนก็ยกจนเลยทงอีกก็ไว้สอนเทวดากันเขาบองั้นเนีนะเขาไม่ได้สอนมนุษย์นะอภิธรรมเขาเอาให้พวกเทวดาเรียนไอ้พวกนึงก็บอกไม่ใช่พุทธพจนเนี่ยนะ ไอ้พวกหนึ่งบอกวินัยหมดยุคหมดสมัยแล้วไอ้พระสูตรหนึ่งก็บอกมันใช้ไม่ได้มันก็ถามว่าคําพูดเดียร์ถีทั้งนั้นแหละแต่นะอยไปใส่ใจเลยอะน น, นเสียงนกเสียงกานะแต่จะพูดว่าสีเท้ า, เาไปเลยก็น่าเกลียดนะ่ะะแต่มันจริงๆมันก็เป็นอย่างนั้นแหละเพราะว่าเราถือเอาคําเหล่านั้นเป็นประมาณไม่ได้อยู่แล้วเป็นพวกที่พูดอย่างนี้เนี่ยเขาไม่รู้ว่าคําพูดที่เขาพูดนั้นแปลว่าอะไรเขาไม่รู้ว่าคําพูดเหล่านั้นนะลิ้น เรียกว่ากลายเป็นลิ้นจระเข้ดีกว่าคําพูดเหล่านั้นมหาศาลเพราะอะไรเพราะว่าคําพูดเหล่านั้นเป็นไปเพื่อทุกเพื่อโทษเขียนว่าดื่มยาพิษให้ตายยังจะดีกว่าคําพูดเหล่านั้นก็เหมือนกับว่าปลาเนี่ยนะยอมกินอะไรก็ช่างดีกว่ากินเบ็ดใช่ไหมคุณว่านี่ก็เหมือนกันคําพูดเหล่านี้จ่วงจาบเนี่ยนะยิ่งแบบเนี่ยเขียนว่าถ้าเป็นโบราณเชัดเจนเนี่ยว่าถ้าผู้ใดตําหนิกษัตริย์เนี่ยถูกประหารเจดชั่วโคตร ใ น, ในกษัตริย์ธรรมดานกษัตริย์ทั่วๆ่วไปทั่วบ้านเมืองตามบ้านเมืองต่างเนี่ยถูกประหารเจ็ดทั่วโคตไปขุดรากเง้าสกรารมาประหารกันทิ้งจดทั่วโคตเพราะถือว่าเป็นตระกูลที่เลวร้ายมากเอาไว้ในแผ่นดินไม่ได้เลี้ยงไม่ได้ฉันใดผู้ที่กล่าวถ้อยคำทั้งหลายที่จ่วงจับคำสอนของ พระพุทธเจ้าก็ฉะ น, นั้นเขาจะเจริญงอกงามในศีลสมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติญาณทัศนะได้ไหมเขาจะเจริญด้วยหิริโอตปะได้ไหมเขาจะเจริญด้วยข้อปฏิบัติเพื่อเป็นไปเพื่อบรรลุมรรคผลนิพพานได้ไหมเขาจะแทงตลอดอริยสัตว์เป็นต้นได้ไหมก็ตรงกันข้ามเมื่อตรงกันข้ามจะไปไหนก็จากทุกสู่ทุกจากอบายสู่อบายก็กลายเป็นคนที่น่า สงสารที่สุดเนี่ยนะก็ยังดีใจกว่าขออย่าได้เป็นเราเลยเนี่ยนะแนวคิดอธิษฐานอย่างเงี้ยขออย่าเป็นเราเลยเนี่ยนะะเป็นคนอื่นก็ไม่อยากให้ใครเป็นทั้งนั้นแหละแต่ที่แน่ๆนะก็พูดแบบพระเทรซบอกประโยชน์ทั้งหลายมีประโยชน์ของตนเป็นอย่างยิ่งขออย่าได้เป็นเราเลยเพราะอะไรเพราะว่าใจเราก็พยายามห้ามให้มันอยู่เธอเนี่ยนะเชื่อไหมคําคนโกรธนี่มันโกรธด้วยกันใกล้นะคนเลวมันก็ใกล้ต่อคนเลวถ้าเราไปเกิดเกี่ยวข้องกับคนที่ปฏิเสธคําสอนจะไปไหน ในที่สุดก็เห็นกับเขาแน่นอนมันต้องเห็นด้วยอยู่แล้วมันจะไปไหนเสียใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยแม็กคนที่ปฏิเสธคําสอนเนี่ยถ้าปฏิเสธพระรัตน์ตายแล้วก็เท่ากับปฏิเสธประตูสวรรค์และประตูพระนิพพานก็เปิดประตูอะไรเอาไว้เนี่ยนะมันก็น่าสงสารที่สุดเลยแหละเพราะฉะนั้นเราเองก็ต้องพยายามสังวรให้ดีๆถือเอามงคลสามสิบแปดเอาไว้ให้มันชัดๆเนี่ยนะพยายามท่องเอาไว้ตลอดวันนี้เนี่ยจะได้มงคลกี่ข้อจะอัปมงคลกี่อย่างสะเดาะเคราะห์ให้มดีๆเนี่ยนะ สมมาทะอรนะมัสดอครอบเลย ว, ว่าเห็นโทษโดยความเป็นโทษและตั้งใจที่จะสํารวมระวังต่อไปไม่อย่างนั้นเนี่ยนะเราเกิดห่างพระพุทธเจ้าขนาดนี้ก็น่าสงสารแล้วก็ประช า, ากลุ่มชนไม่ใช่น้อยที่ทำตัวเรียนแบบหลวงตาสุภัททะเนี่ยนะซึ่งซึ่งก็คือลูกหลานหลวงตาสุภัททะก็ยังอยู่ตั้งอ่ะ น, นะตั้งอ่ะแค่ว่ามันเป็นสายพันนะนะสายพันมันเป็นโดยกรรมพัน แต่ไม่ใช่ะระบบด NA มันเชื่อมกันมานะแต่ว่ากรรมพันธ์แห่งความชั่วร้ายก็มีตั้งแต่อดีตจวบจนปัจจุบันแต่ขณะเดียวกันลูกห ล, า น, า, นน ล, กลานพระอนุ์ลูกหลานพระมหากัะสปะที่มีอัธยาศัยเช่นกับท่านเหล่านี้ก็ยังมีอยู่เพราะฉะนั้นก็เลือกสายพันธุ์ให้มันถูกว่าเอาสายพันธุ์ไหนเนี่ยนะก็เราว่าะจะเลือกอริยะวงหรือว่าเลือกอะไรก็ตามใจเร า, าจะเลือกวงอริยะหรือวงหลวงตาสุภ ธ, ธาหรือวงหลวงตาเทวธาตุหรือเลือกวงไหนก็ว่ากันไปตามนั้น แล้วก็มาถามใจเราเอิมอยู่วงไหนกันแน่เราเนี่ยนะเป็นเนี่ยถ้าถ้าจะเป็นสมัยพุ้จการถ้าเราจะไปขออยู่กลุ่มเนี่ยขออยู่กลุ่มภาษาริบุตรหรือไม่ก็ดูว่าเออถ้าอยู่กลุ่มภาษาลิบุตรก็ดูว่าชอบอ่านปฏิสัมพิธามรักไหมชอบจุลนิเทศชอบมหานิเทศไหมถ้าไม่ชอบกลุ่มนี้แสดงว่าอยู่กับพระวท้าสารีบุตรไม่ได้ อ่านอนุมาณสูตรดูสิชอบพระโมคคัลลานะจริงหรือพระโมคคัลลานะเนี่ยท่านขัดเกลาจริงเลยนะจะไปคิดแหมคนเหาะได้และสบายเนี่ยนะไป แ, แกล้งใครที่ไหนก็ได้เนี่ยนะไม่พระโมคคัลลานะขัดเกลานะี่ยโอ้พระหมากระสปาเนี่ยสิทูดงทําด่งท่านได้ไหมบอกอภรานนท์นี่แหละบอกติดกสามนะเอาไหมเออเรานี่มันลูกหลานใครกันแน่ลังถามด้วยนะถ้าลูกหลานพวกคัดค้านทํำวินัยก็เนี่ยมันมีสองกลมกลมของตาเทวทัตเนี่ยนะกับกลุ่ม หลวงตาสุภัทธ์เนี่ยนะก็ดูเอาว่าของเราเนี่ยอยู่วงไหนเนี่ยนะวงไหนแปลว่าตระกูลไหนสายพันธุ์ไหนสายอริยะหรือว่าสายอบายก็มาคัดคับเนี่ยนะจริงๆเนี่ยถ้าเราสังเกตตัวเราเองสักเล็กน้อยเนี่ยก็ตอบได้แหละถ้าอยากเข้าข้างตัวเองอ่ะนะแต่ว่าอะไรนะถ้าประกวดคนงามเนี่ยก็ดูรูปภาพเว็บเดียวก็รู้ดูแล้วว่าเราเข้าประกวดได้หรือไม่อย่างเงี้ยนะอันนั้นก็เหมือนกันเนี่ยสิ่งที่เราทําคําที่เราพูดเราก็ตรวจสอบสํารวจตรวจสอบ แต่ช่างมันเถอดถ้าบอกว่าบางคนบอกอ้าวถ้าผิดพลาดแล้วทาไงคนที่เห็นผิดรู้ตัวว่าผิดหรือคนที่เป็นพานรู้ตัวว่าเป็นพานก็พอจะเป็นบัณฑิตได้บ้างเนี่ยนะและขณะเดียวกันเนี่ยบอกว่าคนที่เห็นโทษโดยความเป็นโทษถึงความสํารวมระวังต่อไปนั่นเป็นความเจริญในธรรมนิ่งในของพระเรียกเจ้าพาะะั้นสําคัญที่สุดก็คือต้องแยกว่าอะไรผิดอะไรถูก ไม่อย่างนั้นเนี่ยนะถ้าหากว่าแต่ละคนออกมาทำลายคำสอนคนนี้ออกมาทำลายสูตรนี้คนนั้นออกมาทำลายสูตรนั้นทำลายไปทำลายมาจะเหลือสักกี่สูตรในที่สุดคนบาปเหล่านี้เนี่ยนะก็ทำลายพระศาสาศนาสูญสิ้นไปเมื่อปริยัตคือาศาสนาสูญสิ้นไปแล้วปริยัตนี้เป็นเช่นกับมูลรากของาศาสนาถ้าต้นไม้เนี่ยถ้ามองต้นไม้ ปริยัตทั้งหลายเนี่ยพระวินัยปีดกก็เหมือนรากอันใหญ่หนึ่งที่มีรากฝอยเต็มไปหมดที่ดูดหล่อเลี้ยงลําต้นคือพระพุทธศาสนารากอันหนึ่งคือพระสูรรากอันหนึ่งคืออภิธรรมที่มี อ, องค์ประกอบที่ทําให้ต้นโพต้นโพ ต, ต้นพระพุทธเจ้าเนี่ยคำสอนของพระองค์ก็ยั่งยืนอยู่มันถ้าหากว่ามาทําลายมูลรากคือคําสอนมาเพิกถอนคําสอนมาทําลายอย่างนี้แล้วพระพิสูจน์ที่ประพฤติดีปฏิบัติชอบก็เป็นเหมือนกับพระปีศาจไปแล้วอ้าวทาไม ถ้าเมื่อคําสอนเมื่อถ้าคนตำหนิคําสอนคนที่ปฏิบัติตามคําสอนก็กลายเป็นคนชั่วร้ายไปเพราะอะไรเพราะเขาถือว่าเป็นคําสอนเป็นสิ่งที่ชั่วร้ายคนที่บอกว่าคําสอนชั่วร้ายเขาจะูกหาว่าผู้ปฏิบัติตามคําสอนกลายเป็นคนที่ชั่วร้ายก็จะกลายเป็นปีศาจพราหมากสป่าบอกว่าต่อไปนะถ้าคนชั่ววงใหญ่ ก็มีเรื่องเล่าเขาบอกว่าต่อไปนะแกะจะอยู่เต็มเมืองเสือจะหลบหลบซ่อนๆ่อนเขาบงั้นในยุคต่อต่อไปคนที่ประพฤติดีตามธรรมวินัยจะค่อยคอยหลบหลบซ่อนๆคนที่ไม่อยู่ในธรรมวินัยเนี่ยจะกลางคือว่าอำนาจบานโตเหลือเกินเนี่ยนะก็มีบางองค์ก็คล้ายแบบนั้นแม้รู้จักเราน้อยไปเขาบอกงั้นเขาก็รู้จักอยู่แล้วว่าพวกที่ถูกชาติชรามมรณะกลุ่มรวมเนี่ยนะแต่โอ้ยเนี่ยนะไม่รู้บวชเข้ามาได้ยังไงไม่ทราบเนี่ยนะบวชเข้ามาแล้วกลางจริงๆเลยนะ ลกลางก็ไม่แค่กลางด้วยศีลด้วยสมาธิด้วยปัญญาอะไรนะกลางด้วยอำนาจเนี่ยนะซึ่งตัวเองก็ไม่รู้ถูกคนอื่นก็ถอดรา ไ, ไนอีกก็ไม่ทราบเนี่ยนะซึ่งอไอความไม่เข้าใจเนี่ยทำให้ตกอยู่ภายใต้อำนาจโลภโมโทโสัน แล้วก็ไม่รู้ว่าตัวเองนีกำลังกลืนอะไรเข้าไปคำพูดแต่ละคำนี้พูดอะไรออกไปมีสามัญญาสำนึกไหมสามัญญาสำนึกดีชั่วบุญบาปมีอยู่ในใจจริงหรือเปล่าถ้าที่ใดมีบุญที่นั่นก็ใกล้ต่อบาป ถ, ถ้าเข้าใจถูกต้องก็เป็นไปเพื่อประโยชน์ถ้าเข้าใจผิดพลาดล่ะก็เป็นไปเพื่อทุกเละโทษพันเราต้องพยายามระวังว่าทาอย่างไรเราจะไม่เสียหายทั้งในปัจจุบันชาตินี้แลย อนาคตต่อๆไปจะทําอย่างไรที่จะได้รับประโยชน์สูงสุดตามคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยนะเพราะฉะนั้นพระมหากระสปะท่านพอได้ยินคําของหลวงตาสุพัทธะเท่านั้นแหละท่านก็เลยคิดว่าเราจําต้องทําสังขยนาพระธรรมวิไนเราจะต้องรวบรวมพระธรรมวิไนเพราะเมื่อเป็นดังนี้ธรรมวิไนก็จะมั่นคงเหมือนกับดอกไม้ที่คุมไว้ด้วยได้ที่เหนียว นะก็เรีว่าจะร้อยทำมวินัยเอาไว้ก็เหมือนกับหนังสือนะถ้าไม่มีได้เนี่ยพระไตรปิฎกที่เราใช้กันอยู่ถ้าไม่มีได้มาร้อยมาเย็บมาเชื่อมมาต่อกันไปเนี่ยแต่และกระดาษเนี่ยแล้วลมมันพัดมาเนี่ยกระดาษเรานี่จะเปลียวไปถึงไห น, นแต่ที่รวมกันได้เพราะเอามาเข้าเล่มแล้วมันมีการเย็บการร้อยเอาไว้ก็จัดเป็นระเบียบเป็นหมวดเป็นหมู่รำมัรรมวินัยของพระพุทธเจ้าทั้งหลายก็ฉะนั้นถ้ามีการร้อยกรองเรียบเรียงรวบรวมเอาไว้คําสอนของพระพุทธเจ้าก็จะ ดำรงอยู่เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเท่านั้นอันนี้นี่คือประโยชน์ของธรรมวินัยขณะเดียวกันพระมหากรสปะท่านมาคำหนึ่งทังตัวท่านเองว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยนะวันที่เราออกบวชพระองค์เสด็จไปต้อนรับเราเนี่ยสามขาวุฒ ด, ด้วยกันสามขาวุฒก็ประมาณ1ิบกิโลเมตรพระองค์เดินทางด้วยเท้าเปล่าไปต้อนรับเราเนี่ยสเออสิบสองกิโล ถือว่าแม้เป็นเกียรติอย่างยิ่งของชีวิตของผู้ที่มาบวชใช่ไหมพระศาสดาไปต้อนรับตั้งสิบสอกิโลพระองค์ประทานโอวาทอุปสมบทแบบพิเศษให้แก่เราเรียกว่าโอวาทูปสัมปทาอุปสมบทโดยโอวาทสาข้อและผ้าที่ใช้สอยก็เปลี่ยนเอาจีวรของพระองค์เนี่ยมาให้เราห่มเสร็จแล้วพระองค์ก็ยกย่องเราในหมู่พระพิสุสงฆ์ว่าเราเนี่ยเปรียบกับดวงจันทร์เหมือนกับดวงจันทร์ที่ลอยเด่นอยู่กลางอากาศ พระองค์นี่ก็โอาวาทเปรียบเทียบเราเหมือนมือที่สายไปในอากาศแล้วไม่ติดข้องผัวพันอะไรสักอย่างเป็นผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจริงๆพระองค์ยกย่องเราให้เป็นพยานกายสัก ข, ขีโดยเปรียบกับพระองค์นะว่าอะไรว่าพระองค์เนี่ยได้อนุ ป, ปุกภาวิหารสมาบัติฉันใด พระมหากระสปะก็ได้ฉันนั้นพระมหาพระองค์ได้อภินยาหกฉันใดพระมหากระสปะก็ได้อภินยาหกฉันนั้นพระองค์เนี่ยให้เราเป็นกายสักขีเป็นพยานว่าเป็นเช่นกับพระองค์และมอบมอบความเป็นสกลสาศาสนาทายาททายาทที่รับคำสอนทุกอย่างของพระองค์เนี่ยนะทั้งสามครั้งเพราะฉะนั้นเมื่อเรายังดำรงชีวิตอยู่ ภิกษุชั่วนี้จักไม่ได้ความเจริญในพระศาสนานะถ้ายังไงยังไงก็ขอให้เราสิ้นชีวิตไปก่อนเถอะเพราะฉะนั้นเราจะไม่ปล่อยให้มีคนที่ทำลายพระศาสนาอย่างแน่นอนเพราะเพราะฉะนั้นอธรรมยังไม่รุ่งเรืองธรรมะก็จะไม่เสื่อมถอยถ้าอะวินัยังไม่รุ่งเรืองวิันก็จะไม่เสื่อมถอยถ้าฝ่ายอธรรมะวารีคนที่พูดไม่เป็นธรรมยังไม่มีกาลัง ฝ่ายธรรมวาทีก็จะไม่อ่อนกําลังฝ่รรายอวินิยวาทียังไม่มีกําลังฝ่ายวินิยวาทีก็จะไม่อ่อนกําลังเพียงใดเราจักสังขยนาพระธรรมวินยัยเพียงนั้นคือตอนนั้นเนี่ยท่าธรหัร์ทั้งหลายมีบทบาทเต็มที่ทุกคนพากันเคารพยกย่องผู้ใดที่พระพุทธเจ้ายกย่องไว้ตอนที่พระองค์มีพระชนอยู่ท่านเหล่านั้นได้รับการยกย่องทั้งหมดคนชั่วอย่างหลวงตาสุภาาัททาก็เป็นหลวงตาพระแก่รูปหนึ่ง ที่ไม่มีบทบาทไม่มีอํานาจก็เรียก ว, ว่าก็เรียกว่าอะไรนะเงียบไปอ่ะนะติดตามขบวนเข้าไปอย่างนั้นแหละกลายเป็นคนชั่วร้ายที่ไม่มีอํานาจบทบาทหน้าที่อะไรเลยแม้แต่นิดเดียวไม่มีสิทธิ์ออกเสียงออกความเห็นอะไรแม้แต่นิดเดียวอ่ะนะก็เรียกว่าเป็นอ่าเป็นตัวอั ป, ปลักษ์ตัวหนึ่งที่อยู่ในนั้นเท่านั้นเองไม่มีบทบาทไม่มีอํานาจอย่างที่อ่าในหลวงท่านกล่าวนะก็คือบอกว่าถ้าคนชั่วยังไม่มีอํานาจบ้านเมืองก็ไปรอดอยู่แล้วว่างั้นเถะ เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าคนชั่วมีอํานาจเมื่อไหร่ล่ะอะไรจะเกิดขึ้นในธรรมวินัยนี้ก็เหมือนกันคนชั่วมันก็มีอยู่ทุกยุคทุกสมัยเปรียบเหมือนข้าวเป็นพันไร่ยังไงมันก็ต้องมีข้าวรีบอันนั้นก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดายังก็มีแกลบมีอะไรแต่คนเหล่านั้นถ้ามีอํานาจเมื่อไหร่อะไรจะเกิดขึ้นเนี่ยนะเพราะฉะนั้นตราบใดที่ สิ่งที่ไม่ใช่ธรรมไม่ใช่วินัยยังไม่เกิดขึ้นคนชั่วทั้งหลายยังไม่มีอำนาจเกิดขึ้นเพียงใดเพรา ะ, ะควรที่จะรวบรวมเรียบเรียงธรรมสังขารนารวบรวมพระธรรมวินัยให้เสร็จสิ้นก่อนเพราะฉะนั้นเราจะรวบรวมภิกษุที่อยู่ในฝักฝ่ายเดียวกันเป็นสภาขะการสมควรแก่ตนพระที่รู้ว่าอะไรควรไม่ควรเมื่อเป็นดังนี้ภิกษุชั่วผู้นี้ตนเองก็จักประสบนิฆะหมายความว่า ถ้าหาว่ามีการรวบรวมประชาชนทั้งหลายภิกษุทั้งหลายรู้ว่าอะไรเป็นธรรมไม่ใช่ธรรมคนที่พูดไม่เป็นธรรมก็จะถูกเนคฮาคือถูกข่มเนคหาแปลว่าถูกกดลงถูกคำว่าถูกลัดถูกลดถูกตัดอำนาจลดอำนาจถูกตัดบทบาทให้หมดความเรียกว่าหมดอำนาจในสภาสงฆ์เนี่ยนะคนเหล่านี้ก็จะไม่อาจเงยศีรษะได้พระศาสนาคือที่อธิสีนที่จิตอธิปัญญาที่เป็นพระวินยัยพระสูตรพระพิธรรม ก็จักถึงความแพร่หลายพอคําพูดอันนั้นของหลวงตาสุภัททะเนี่ยนะคําพูดนิดเดียวนะแต่ไม่นิดเดียวอ่ะแต่ว่ามันนิดเดียวแบบแหมก็ว่าอะไรนะเอามีดกรีดคอหน่อยเดียวนะลึกเข้าไปแค่ไม่กี่นิ้วเองอ่ะนะอันนี้แค่แค่นี้ก็พร้อมที่จะตายอยีกแล้วใช่ไหมมนันจะอาจจะมีดเล็กๆ ก, ก็ช่างแต่ถ้ากรีดคอขาแล้วมันยังไงมันก็รอดไม่รอดคําพูดของหลวงตาสุภัททะก็เหมือนกันแมหมเราพ้นดีแล้วจากอะไรพ้นดีแล้วจากพระมหาสมณะ เพราะฉะนั้นต่อไปนะเราอยากพูดอะไรก็พูดอยากทําอะไรก็ทําถ้าเราไม่อยากทําก็ไม่ต้องทําอะไรจะเกิดขึ้นมันก็หมดเท่านั้นแหละพระพุทธศาสนาก็หมดเท่านั้นแหละเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าอยากทําอะไรก็ทําตามใจตัวเองพระองค์สร้างบารมีมาตลอดสี่อสงไขยแสนกลับมาเพื่อรวบรวมพระธรรมวินัยเสร็จแล้วก็ออกมาปฏิเสธออกมาเพื่อทําลายคําสอนเพราะฉะนั้นท่านก็เลยคิดว่าจะต้องรวบรวมธรรมสังขยาให้ได้เนี่ยนะก่อนที่ ศาสนาจะเสียหายกว่านี้ซึ่งแต่ตอนนั้นท่านก็ปลอบใจพระพิสุสงไปก่อนนนะนะสำหรับช่วงนี้ก็พักกันสักครู่ก่อนนะเช่นกัน